วิธีให้สติวินัยและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สติวินัยอย่างนี้คือภิกษุทัพพระมลบุทนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญภิกษุเมติยะและพิกษุภุมมชกะเหล่านี้ใส่ความกระผมด้วยสีลวิบัติที่ไม่มีมูลกระผมนั้นถึงความไพยบู์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์พึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามว่าท่านผู้เจริญ ภิกษุเมติยะและภิกษุภุมมะชกะเหล่านี้ใส่ความกระผมด้วยสีลวิบัติที่ไม่มีมูลกระผมนั้นถึงความภัยบณ์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติจตุถกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุเมติยะและภิกษุภุมมชะกเหล่านี้ใส่ความท่านพระทัพพระมลบรด้วยสีลวิบัติที่ไม่มีมูลท่านพระทัพพระมลบรเป็นผู้ถึงความไยบู์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้สติวินัยแก่ท่านพระทัพพระมลบรผู้ถึงความไยบู์แห่งสติแล้ว นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุเมติยะและภิกษุภุมมชกะเหล่านี้ใส่ความท่านพระทัพพระมาลบุตรด้วยสีลวิบัติที่ไม่มีมูลท่านพระทัพพระมาลบุตรเป็นผู้ถึงความภัยบู์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์สง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 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สาข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงจ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุเมติยะและภิกษุภุมิมชกะเหล่านี้ใส่ความท่านพระทัพพระมลบุตรด้วยสีลวิบัติที่ไม่มีมูลท่านพระทัพพระมลบุตร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 ท่านรูปนั้นพึงทักทวงสติวินัยสงให้แล้วแก่ท่านพระทัพพระมลบุทพูดถึงความภัยบูย์แห่งสติแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้